ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวินัยะสังหะอัตตกถาพระสารีบุตรมหาเถระชาวศีลังการเจนาพระมหาอาคมธรรมมาขโมแปลเรื่องที่สามสิบสี่ปกินกะวินิชยะกถากถาวินิจฉัยว่าด้วยเรื่องเบตตเลตต่อ ก็ถึงเรื่องของบุคคลที่ภิกษุไม่ควรไหว้ศิษย์จำพวกทึงนทราบุคคลที่ไม่ควรไหว้ศิษย์จำพวกเหล่านี้ตามพระบาลีว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลศิษย์จำพวกนี้ภิกษุไม่ควรไหว้คืออันภิกษุผู้อุปสมบทก่อนไม่ควรไหว้ผู้อุปสมบทภายหลังหนึ่งไม่ควรไหว้อนุสบันเป็นที่สอง ข้อที่สามก็คือไม่ควรไหว้พิตุผู้เป็นนานาสังวาสผู้แก่กว่าแต่ไม่ใช่ธรรมวา่าทีก็คือถ้าเป็นนานาสังวาสแก่กว่าแต่เป็นธรรมะวา่าทีนี้ก็ไหว้ได้นะแต่ว่าไม่เป็นธรรมวาทีด้วยก็ไม่ควรไหว้ผู้เป็นนานาสังวาสทำไมถึงถูกยกวัดไม่ควรไหว้มาตุคามข้อที่สี่ก็คือไม่ควรไหว้มาตุคามข้อที่ห้าไม่ควรไหว้บรดา ข้อที่หกไม่ควรว่า้พิกูุผู้อยู่ปริวาสข้อที่เจ็ดไม่ควรว่า้พิสูพผู้ควรชักเข้าหาอบัตรเดิมก็คือขอมูลายะปฏิการนาเป็นผู้ที่ต้องอบัตรซ้ําขณะที่อยู่ปริวาสหรือว่าอยู่มานัทข้อที่แปดก็คือไม่ควรว่า้พิกูุผู้ควรแก่มานัทข้อที่เก้าไม่ควรว่า้พิสูพผู้ประพฤติมานัทข้อที่สิบไม่ควรว่า้พิสูพผู้ควรอับพานสิทธิ์อย่างพวกนี้ไม่ควรว่าทบทวนก็คือ don. พิสูตผู้อุปสมบทก่อนเนี่ยไม่ควรว่า้พิสูตที่อุปสมบทภายหลังผู้อ่อนกว่าเนี่ยนะไม่ควรไหว้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองไม่ควรไหว่อนุสบบัดก็ได้แก่พวกเพรษหัดพวกสามเณรข้อที่สาไม่ควรไหว้พิกสุนานาสังวาทผู้แก่กว่าแต่เป็นธรรมวาทีข้อที่สี่ไม่ควรไหว้มาตุคามก็คือผู้หญิงไม่ควรไหว้บรรเดาะข้อที่ห้าไม่ควรไหว้พิสูตที่เป็นผู้อยู่ปริวาทข้อที่หกข้อที่เจ็ดก็คือ ที่สูบผู้ควรชักข้หาอาบัตเดิมก็ไม่ควรไหวข้อที่แปดที่สูบผู้ควรแก่มานัสข้อที่เก้าที่สูบผู้ประพฤติมานัสข้อที่สิบไม่ควรไหวที่ตุผู้ควรแก่อภานก็ไม่ควรไหวในปริวารอุบาลีปัญจาการกถินนับฐาระวัตรที่สิบสี่ก็แสดงบุคคลที่ไม่ควรไหวห้าปัญจากะาทั้งหมดยี่สิบห้าประเภทเพิ่มมากขึ้นก็จะมีอาบัตสิบสองประเภท นอกนั้นไม่ควรไหว้แต่ว่าไม่ได้ปรับอบัตไว้ปรับอบัติไว้ทั้งหมดสิบสองประเภทอีกสิบสามประเภทไม่ปรับอบัตสิบสองประเภทที่พิกจุไหว้แล้วมีอบัตทุกกฎก็คือสิบประเภทที่กล่าวเนี้ยที่ตามพระบาลีพุทธพจน์ที่แสดงไว้สิบจำพวกนี้ถ้าไหวมีอบัตทุกกฎอีกสองจำพวกก็คือพิษุผู้เปลือยกายก็ไม่ควรไหว้โดยการไหวมีอบัตทุกกฎแล้วก็พิกจุที่ถูกสงยกวัด ถูกลงโอเคปัญญาการถูกสงยกวัดนี่ก็ถ้าไปไหว้ก็มีอบัตทุกกฎเหมือนกันถ้าไหว้พิษุที่ถูกลงตัดเนีกรรมเป็นต้นไม่มีอบัตเพราะว่าไม่ได้ถูกสงยกวัดสำหรับในปริวาระนั้นที่แสดงไว้ห้าปัญจกะปัญจกะละห้าข้อห้าข้อทั้งหมดรวมยี่สิบห้าข้อก็คือพิษุที่ ข้าวปสู่ระแวกบ้านพิจูตทั้งหลายก็ไม่ควรไหว้เหมือนกันเีลาที่พิกูุที่อยู่ในระแวกบ้านไม่ควรไหว้กันหรือว่าพิจูตผู้ข้าไปสูถนนก็ไม่ควรจะไหว้กันอยู่ในที่มืดพิจูตที่อยู่ในที่มืดอันพิจูตไม่ควรไหว้พิจูตผู้ไม่เอาใจใส่หรือก็กําลังเหมือลอยมองไปทางโน้นทางนี้อยู่ก็ไม่ควรไหว้เหมือนกันพิจูตบางรูปจะให้ไหว้ก็นั่งเอาขีดข้างเข้าหาไม่ควรที่จะไหว้ก็ต้องนิมนต์ท่านผมจะกราบขอการกราครับ ไปนั่งกราบข้างหน้าท่านหรือว่าที่ถูกผู้หลับก็ไม่ควรไหว้เหมือนกันแต่ว่าอันนี้ไม่มีอบบัตไม่ควรไหว้เท่านั้นแล้วก็อีกปัจจกาหนึ่งก็คืออันที่ถูกทั้งหลายไม่ควรไหว้เวลาดื่มยาคูที่ดื่มข้าต้มนี่ไม่ควรไหวอันที่ถุดทั้งหลายไม่ควรไหว้ในโรงพักในโรงพักปกติก็อยู่ในตะแวกบ้านในโรงชันนี้ก็ชลุมนไม่ควรไหว้ ติ๊กตุผู้เป็นศัตรูอันติสกตุทั้งหลายไม่ควรไหวเพราะว่าเป็นศัตรูการไม่รู้ว่าเขายังจะให้อภัยเราหรือเปล่าถ้าไม่ให้อภัยเดี๋ยวเขาเกิดกระหาเราขณะที่ไหวก็อันตรายถ้าเป็นศัตรูกันยังไม่ได้เป็นมิตรกันก็อย่าเพิ่งไหวก็ต่อไปก็ติ๊กตุกําลังคิดเรื่องอื่นอยู่อันติ๊กตุก็ไม่ควรไหวตรงใจไปอื่นอยู่น่ะไปขายกับไม่เอาใจใส่ใจใส่นี่อาจจะไม่เอื้อเฟื้อเขาจะไหวก็ทํำไม่สนใจ แต่พิจูตกาลังคิดเรื่องอื่นอยู่มือน้อยอยู่ไม่รู้ว่าเราจะไหวก็อย่าพึงไหว น, นิมนต์ท่านผมอยากขอโอกาสทาวัดครับแล้ว ก, ก็ต่อไปทพิจูกเปลยกายอันพิจูตไม่พึงไหวถาวายข้อนี้มีบาตรุกฏกําลังเปลยกายอยู่นี้ไม่ควรรับไหว้ด้วยต่อไปอีกบัรยกาศหนึ่งพิจูตกำลังเคียวอันพิจูตทั้งหลายไม่ควรไหวพิจูตกาลังชันก็ไม่ควรไหว พิสูจน์กำลังถ่ายอุจจาระอันนี้ไม่น่ากราบไหว้กำลังถ่ายอุจจาระไปกราบไหว้นี่ก็ไม่เหมาะสมเลยแต่ว่าไม่มีอบัติไม่ควรเท่านั้นพิสูจน์กำลังถ่ายปัสสาวะก็ไม่ควรไหว้พิสูจถูกสงยกวัดอันพิสูจน์ทั้งหลายไม่ควรไหว้อันนี้ก็มีอบัติถ้าถูกสงยกวัดก็คือถูกลงบุกเขตปนิยกรรมถูกสงยกวัดเพราะว่าไม่เห็นอบัติถือว่าเห็นอบัติแล้วไม่แสดงคืนหรือว่าเป็นผู้ที่มีทิฏฐิอันชั่วช้าเนี่ยถูกสงยกวัดแล้วไม่ควรไหว้ถ้าไหวแล้วมีอบัติถ ต่อไปอันิสูตรไม่ควรไหวอีกห้าก็คืออนิสูตอุปสมบทที่หลังอั น, สอ น, น, อ น, น spreads, ิสูตผู้อุปสมบทก่อนไม่ควรไหวนี้ก็อาบัติหมนเลยอันนี้สิบข้อหลังนี้ตามที่พระพุทธเจ้าแสดงอนุสัมพันธ์อนิสูตรไม่ควรไหวอนิสูตรมีสังวาตต่างกาันเป็นนานาสังวาตอานสาแก่กว่าแต่เป็นอันธมวาตถีก็ไม่ควรไหวสตรีอันิสูตรท่างหลายไม่ควรไหวบันดอาอนิสูตเท่างหล่ยไม่ควรไหวนี้ก็ปัญจกหนึ่ง แล้วก็พิสูุพวกอยู่ปริวาสพวกเช่าข้อหาบัตรเดิมควรแต่มานัดประพฤติมานัดแล้วก็ควรจะอภัยนี้ก็ได้ควรไหวจิตข้อหลังนี้มีอ บ, บัตทุกข้อเลยอ บ, บัตทุกกฎแล้วก็อีกสองข้อก็คือพิสูุผู้ถูกสงยกวัดกับพิสูุผู้เปรย์กายนอกนั้นอีกสิบสามข้อนั้นไม่ควรไหวเฉยๆจนการเสียธรรมเนียมแต่ว่าไม่ได้ปรับอ บ, บัติไว้ทึงทราบบุคคลผู้ควรไหวสามจําพวกเหล่านี้อันนี้ในวินยัยยักสังฆะแสดงไว้ว่า พึงทราบบุคคลผู้ควรไหว้สามจาพวกเหล่านี้ตามพระบาลีว่าพิสูตผู้อุปสมบทภายหลังควรว่า้พิสูุผู้อุปสมบทก่อนแม้จะบวชก่อนกันแค่นาทีเดียวพิสูตที่บวชที่หลังก็ต้องไหว้พิสูุผู้อุปสมบทก่อนครั้งที่กษระสัดหกท่านกระสัดอกพระองค์ที่ออกบวชพร้อมกันมีพระอานนีพระพัทิยะพระเทวทัพ พระนรุธะพวกนี้นะออกบวชพร้อมกันแล้วก็อุบาลีเป็นภูสามานาเป็นคนที่คอยแต่งตัวให้เป็นช่างกระบอก ค, คอยแต่งตัวให้กษัตริย์หกองค์นี้ก็ออกบวชตามด้วย<อ>กษัตริย์เหล่านั้นเป็นเชื้อชาติศักทยะก็คิดกันว่าพวกเรานี่มีมานะถือตัวมากเพราะฉะนั้นให้อุบาลีเนี่ยบวชก่อนดีกว่าจะได้ทําการส ก, กา ร, ระคาร บ, บูชาจะได้ลบมานะอันนั้นก็บวชก่อนครู่เดียวเท่านั้นแหละแต่ว่าก็ถือว่าแก่กว่าก็ต้อง ทำการกไหว้รูปรับทำสามิชกรรมอันที่สุดผู้อุปสมบทภายหลังควรว่า้ที่สุดผู้อุปสมบทก่อนอย่างหนึง่งแล้วก็ควรว่า้ที่สุดนานาสังวาสผู้แก่กว่าแต่เป็นธรรมื่อวานทีอันนี้ก็ควรไหว้ได้ถ้าเป็นผู้ที่ถือธรรมะเป็นประมาณแต่ว่าอาจารย์เป็นานานาสังวาสเพราะว่าถูกยกวัดแล้วก็เป็นผู้ที่เห็นคล้อยตามที่สุดที่ถูกยกวัด แล้วก็ควรไหว้ตถาคตพระอรหันตสัมมาสัมพุท ธ, ธะอย่างหนึ่งแต่ว่าในลำพีปริวาระท่านแสดงบุคคลที่ควรไหว้ห้าประเภทก็คือพิตุอันพิสุทั้งหลายควรไหว้มีเท่าไหรหนอยแลท่านเจ้าวาลีก็ควรถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนอุบาลีบุคคลอันพิสุทั้งหลายควรไหว้นี้มีห้าประเภทห้าประเภทคืออะไรบ้าง คือข้อที่หนึ่งที่สุผู้อุปสมบทกร อ, อันที่สุผู้อุปสมบทที่หลังควรไหว้ข้อที่สองที่สุมีสังวา่าตามการมีพรรษาแก่กว่าพวกนานาสังวา่าแต่พรรษาแก่กว่าแล้วก็เป็นธรร ม, มวางทีด้วยอันที่สุดทั้งหลายก็ควรไหว้ข้อที่สามพระอาจารย์อันที่สุทั้งหลายก็ควรไหว้ข้ 4, อที่สี่อุปัชาอันที่สุดทั้งหลายก็ควรไหว่เหมือนกันถ้าอาจารย์มีแม้พรรษาจะน้อยกว่าถ้าไหว้ ธรรมะไหว้คุณธรรมนี้ก็ยังไหว้ได้ประคองอัญเชิีได้ข้อที่ห้าก็คือพระตะถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอันประชาทั้งสมณะและพราหมณ์ทั้งเทวดามนุษย์ในโลกทั้งเทวโลกมารโลกพรมโลกควรไหว้ยอย่างยิ่งเลยสําหรับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็บุคคลห้าควรไหว้ก็เพิ่มอุปชา์อาจารย์เท่านั้นในปริวาร ธรรมะของพิษุผู้อ่อนกว่ากับพิสู้แกกว่าเวลาที่จะไหว้ในเปรีกวาระก็แสดงไว้ท่านพระวาลีก็ทูลถามพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าข้าอันพิสูพุอ่อนกว่าเมื่อจะไหว้เท้าของพิสู้แกกว่าพึงตั้งทำเท่าไรไว้ในตนแล้วไหว้เท้าพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนอุบาลีอันพิสูพุอ่อนกว่าเมื่อไหว้เท้าพิสู้แกกว่าพึงตั้งทำห้าอย่างไว้ในตนแล้วไหว้เท้า ทำใอย่างอะไรบ้างดูก่อนอุบาลีอันที่สูผู้อ่อนกว่าเมื่อไหว้เท้าที่สูผู้แกกว่าต้องทําอย่างนี้นะคือมีธรรมเนียมอย่างนี้ก็คือข้อที่หนึ่งห่มผ้าเฉวียงบางข้อที่สองประคองอัญชรีก็คือยกมือพนมขึ้นไว้ที่อกข้อที่สนวดเท้าด้า ว, ดา ว, ดวยฝ่ามือทั้งสองใช้ฝ่ามือนั้นนวดเท้าเพื่อที่จะทําให้เกิดความสนิทสนมความเป็นกันเองความเป็นมิตร แล้วก็ข้อที่สี่มีความรักคือแสดงความรักก็มีเมตตาต่อด้วยข้อที่ห้ามีความเคารพความเคารพแล้วจึงไหว้เท้าโุก่อนอุบารีอันพิสุผู้อ่อนป่าเมื่อไหว้เท้าพิสุผู้แก่กป่าพึงเข้าไปตั้งทำห้านี้ไว้ในตนแล้วจึงไหว้เท้าก่อนจะไหว้เท้าก็ผมผ้าช่วยบากร ถาหอมคลุมอยู่ก็อมชีเวงบางถ้าใส่แตองอ่างก็ไปเอาจีวอมาแล้วก็มาหอมชีเวงบาสิ่งนแล้วก็ประคองอัญชรีเป็นนิสสองนวดเท้าหน่อยหนึ่งบีบ บ, บีนวดนวดสักหครั้ง8ดครั้งสิบครั้งก็ได้ทั้งสองเท้าแล้วก็แสดงความรักก็คือส่งเมตตาจิตไปในบุคคลที่เราไหว้แล้วก็ทําความเคารพนอบน้อมแล้วจึงไหว้ก็จะเป็นปัจจัยทําให้ ผู้ที่ถูกว่าจะเป็นครูอาจารย์พระิที่มีภาษามากกว่าก็จะรู้สึกว่ามีเมตตาตอบมีความรักตอ่อก็จะประพฤติเกื้อกูลต่อกันแล้วก็ทําให้เจริญได้วยใจิกขาทั้งสองฝ่ายแต่อันนี้ก็เป็นธรรมเนียมที่ควรจะกระทำไม่ได้แสดงไว้ว่าถ้าไม่ทําแล้วจะมีอบัติเพราะว่าบางคนประถือเคร่งเลยว่าถ้าไหวชั้นแล้วต้องนวดเท้าถ้าไม่นวดเท้านี่เป็นเรื่องนะจะถูกยกวัดอันนี้ก็ไม่ได้ อันนี้เป็นสิ่งที่ควรทําแต่ว่าไม่ได้แสดงว่าต้องทําถ้าไม่ทําแล้วปรับอ ბ ัติไว้ก็ไม่ได้แสดงว่าอย่างนั้นสามีจกรรมนี่เป็นสิ่งที่ควรทําถ้าไม่เอื้อเฟื้อเนี่ยสามีกรรมการกราบไหว้นี้มีอ ბ ัติแต่ว่าการนวดเท้านี้ไม่ได้แสดงว่าจะต้องทำเร <seria S 1> าเป็นสิ่งที่ควรทําแต่ว่าก็ไม่ได้ปรับอ ბ ัติไว้นี่ก็เป็นเรื่องของธรรมเนียมของการกราบไหว้ต่อไปนุ่นที่เป็นกัปปิยะสามอย่างเหล่านี้ ตามพระบาลีว่าดูความี่สุดทั้งหลายเราอนุญาตนุ่นสามชนิดคือนุ่นต้นไม้หนึ่งนุ่นเถาวันหนึ่งแล้วก็นุ่นหญ้าเหล่าอย่างหนึ่งอย่างนี้บรรดานุ่นเหล่านั้นบวชว่านุ่นต้นไม้ได้แก่นุ่นแห่งต้นไม้เหล่าใดเหล่าหนึ่งมีต้นงิ้วเป็นต้นนุ่นแห่งเคลวันได้แก่นุ่นแห่งเถาวันอย่างใดอย่างหนึ่งมีเถาน้ำนมเป็นต้น นุ่นแห่งหญ้าได้แก่นุ่นแห่งตินชาติหลายใดหล่าหนึ่งมีหญ้าคมบางเป็นต้นโดยที่สุดแม้นุ่นแห่งอ้อยและไม้อ้อเป็นต้นสมัยนี้คนเราก็ใช้เป็นนุ่นวิทยาศาสตร์ไปแล้วอ่ะสมัยก่อนก็ใช้นุ่นต้นงิ้วหรือว่าต้นนุ่นเดี๋ยวนี้ก็เป็นพวกใหญ่สัมเคราะห์หมดเลยอันนี้ก็อนุโลมนะมหาประเทศเราไม่ขัดกัน ผู้ตะารทั้งปวงเป็นอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรวมเข้าด้วยต้นไม้เถาวัลและหญ้าสามชนิดเหล่านี้จึงอยู่ขึ้นชื่อว่าพู้ตะคมอื่นซึ่งพ้นจากลุกชาติวันลิชาติและตินชาติไปก็ย่อมไม่มีลุกชาติก็หมายถึงต้นไม้วันลิชาติก็หมายถึงเครือเาถาวัลตินชาติก็หมายถึงหญ้าเพราะฉะนั้นนุ่นแห่งผู้ตะคมชนิดใดชนิดหนึ่งย่อมควรในการทำหมอน แต่ครั้นมาถึงฟูกข้าวนุ่นนั้นแม้ทุกชนิดท่านกล่าวว่าเป็นนุ่นที่ไม่ควรแต่ว่าถ้าเป็นใยสังเคราะห์ก็ค้นไปและจกควรในการทําหมอนเฉพาะนุ่นนั้นอย่างเดียวหาไม่ได้แม้ขนแห่งนกทุกชนิดมีหงและนกยูงเป็นต้นและแห่งสัตว์สีเท้าทุกชนิดมีสีหะเป็นต้นก็ควรนอกจากนุ่นไปทําเป็นหมอนแล้วก็ใช้ขนสัตว์ ก็คือขนของนกยูงพวกนกหงอะไรต่างๆขนเนี่สัตว์สีท้าทุกชนิดก็ควรงานแม้กระทั่งข น, ขนของสีหรัรารตัวจ็สีสินโตเนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ดอกไม้ชนิดใดชนิดหนึ่งมีดอกประยงและดอกพิกลเป็นต้นไม่ควรเอามาทำหมอนเดี๋ยวจะมีปัญหากลายเป็นของหองมเมื่อไหไปเฉพาะใบเต่ารังล้วนทีเดียวไม่ควรแต่ปนควรอยู่แม้นู่นคือขนสัตว์ เป็นต้นห้าอย่างที่ทรงอนุญาตสําหรับฟูกก็ควรเพราะมีพระบาลีว่าดูกรที่สุดทั้งหลายเราอนุญาตฟูกห้าชนิดคือฟูกขนสัตว์ฟูกผ้าฟูกเกล็ดไม้ฟูกหญ้าแล้วก็ฟูกใบไม้ดังนี้ฟูกห้าอย่างที่ยัก ด, ด้วยของห้าอย่างมีขนสัตว์เป็นต้นพระผู้มีพระพาเจา้าทรงอนุญาตแล้วฟูกก็คือที่นอนก็ทําให้มันนุ่มๆ น, นอนแล้วก็ไม่ลําบาก แต่บาคนอายุมากแล้วนอนเสือ่อแข็งแข็งก็ดีจะทดนนี่ปวดหลังจริงอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสจำนวนพวกเหล่านี้ตามจำนวนนุ่นบรรดานุ่นเหล่านั้นด้วยอุณ น, นศัพท์ในที่นั้นจะทรงถือเอาขนแกะอย่างเดียวหาม่ได้โดยที่แท้เว้นขนมนุษย์เสร็จแล้วขนแห่งสัตว์ปีกและสัตว์สี่เท้าซึ่งเป็นชาติที่มีเนื้อเป็นกัปปิยะและอกัปปิยะ ชนิดใดชนิดหนึ่งบรรดามีขนทั้งหมดนั้นจงถือเอาในอนธิการว่าด้วยฟูกนี้ด้วยอุณ น, นะสัพรัชนันพิกสุทําเปลือกฟูกด้วยจีวรนหกชนิดและอนุโลมจีวรนหกชนิดใดชนิดหนึ่งแล้วยัดขนสัตว์ทุกอย่างนั้นทําเป็นฟูกก็ควรให้ขนได้ทุกชนิดเลยขนหัสัตว์ยกเว้นขนของมนุษย์เสียอันหนึ่งแม้ฟูกที่พิสุมีได้ยัดขนแกะ ไตแต่ผ้ากำพลสี่ชั้นหรือห้าชั้นย่อมถึงความนับว่าฟูกขนสัตว์เหมือนกันเป็นผ้ากำพลผ้ากำพลก็เป็นผ้าขนสัตว์อยู่แล้วก็เรียกว่าเป็นฟูกขนสัตว์ไปบรรดาฟูกทั้งหลายมีฟูกผ้าเป็นต้นฟูกที่เขารวมเอาเศษผ้าใหม่หรือว่าเศษผ้าเตาอย่างใดอย่างหนึ่งซ้อนเข้าหรือว่ายัดเข้าข้างในชื่อว่าฟูกผ้าฟูกที่ยัดด้วยเปลือกไม้ชนิดใดชนิดหนึ่งชื่อว่าฟูกเปลือกไม้ ฟูกที่ยัดด้วยหญ้าชนิดใดชนิดหนึ่งชื่อว่าฟูกหญ้าฟูกที่ยัดด้วยใบไม้ชนิดใดชนิดหนึ่งนอกจากใบเต่ารังล้วนๆเพึงทราบว่าฟูกใบไม้ส่วนใบเต่ารังเฉพาะที่ปนกับใบไม้อื่นจึงควรใบเต่ารังล้วนว น, นั้นไม่ควรส่วนในกุรุนทีแก้ว่าของห้าอย่างมีขนสัตว์เป็นต้นซึ่งไม่ควรในฟูก ของนั้นย่อมควรแม้ในฟูกหนังด้วยคำที่กล่าวไว้ในกรุนทีนั้นเป็นอันสำเร็จการตกลงใจว่าทิสุใช้ฟูกหนังย่อมควรสำหรับฟูกไม่มีจำกัดประมาณฟูกหนังก็ใช้ได้นุ่นห้าอย่างที่ไม่ควรในฟูกสำหรับฟูกไม่มีจำกัดประมาณพึงกะประมาณตามความพอใจของตนกำหนดดูพอสมควรแต่ฟูกเหล่านี้คือ ฟูกเตียงฟูกตั้งฟูกปูพื้นฟูกที่จงกรมฟูกสําหรับเช็ดเท้าแต่สําหรับหมอนให้ได้ประมาณเท่านั้นจึงควรฟูกนี้ไม่มีประมาณแต่ว่าหมอนนั้นต้องมีประมาณพระพุทธเจ้าก็อนุญาตความสะดวกสบายเยอะใช้ฟูกจงกรมก็ได้แต่ว่าฟูกสําหรับเช็ดเท้าฟูกปูพื้นจะทําแบบพรมเลยก็มีพระบาลีว่าดูกนพิษสูทั้งหลายพิษสูไม่พึงใช้หมอนยาวกึ่งกาย ที่ตูดไดใช้รูปนั้นต้องอบับดุทุกกฎดังนี้ใช้หมอนใหญ่กึ่งกายก็ใหญ่โตมโหดานมากเลยนะชนทั้งหลายย่อมทอดกายตั้งแต่บั้นเอวจนถึงศรีรษะบนหมอนเหล่าวไดหมอนเช่นนั้นชื่อว่ามีประมาณกึ่งกายก็ผู้มีพระภาคเจ้าตรัสห้ามหมอนมีประมาณกึ่งกายเช่นนั้นแล้วส่งอนุญาตขนาดพอประมาณกับศรีรษะ ตามพระบารีว่าดูกรที่ตุ้งทั้งหลายเราอนุญาตหมอนพอประมาณกับศีรษะดังนี้ชื่วหมอนพอประมาณกับศีรษะคือด้านกว้างเมื่อวัดในระหว่างมุมทั้งสองเว้นมุมหนึ่งเสียในบรรดาสามมุมได้หนึ่งคืบกับสี่นิ้วกว้างหนึ่งคืกบกว่าสี่นิ้วนะวัดทแยงตรงกลางได้ตอกการตรอกกานี่ก็เือบครึ่งเมตรเกือบห้าสิบเมตร สอกหนึ่งก็ประมาณห้าสิบเมตรสอกกำมือไว้นี่ก็เกือบห้าสิบเมตรในกรุณทีกล่าวว่าโดยส่วนยาวสอกครึ่งหรือว่าสองสอกเลยตุกนี้ยาวนะนี้เป็นกำหนดอย่างสูงแห่งหมอนที่ได้ขนาดกับสีสักกว้างเกินกว่ากำหนดนี้ขึ้นไปไม่ควรต่ำลงมาควรหมอนสองชนิดคือหมอนหนุนที่ละและหมอนหนุนเท้าควรแก่ทิกตุผู้ไม่อาภาษแท จะใช้หนุนเท้าก็ได้นะเป็กถูกผู้อาพาธจะวางหมอนหลายใบแล้วปูเครื่องลาดข้างบนแล้วนอนก็ควรถ้าป่วยไม่สบายนี่ก็จะเอาหมอนมาวางหลายๆใบแล้วก็ปูเครื่องลาดไว้ข้างบนเอามานอนก็ได้แต่โดยปกติก็ไม่ควรที่จะเอาหมอนเอามานอนพับอะนะเอาไว้หนุนหัวเท่านั้นอนหนึ่งพระผุดสะเทวะเถระกล่าวว่า วัตถุที่เป็นกัปปิยะหมายถึงนุ่นนุ่นที่เป็นกัปปิยะห้าอย่างเหาใดที่ทรงอนุญาตไว้สาหรับฟูกทั้งหลายหมอนที่ทำด้วยนุ่นเหล่านั้นแม้ใหญ่ก็ควรน่าจะเป็นวัตถุที่เป็นกัปปิยะห้าอย่างก็คือที่ทําฟูกเนี่ยก็าได้แก่ขนสัตว์ผ้าเปลืกไม้หญ้าแล้วก็ใบไม้หมอนที่ทําด้วยนุ่นเหล่านั้นแม้ใหญ่ก็ควรฝ่ายพระอุปติสสะผู้เป็นพระวินัยทอกล่าวว่า ประมาณนั่นแหละควรแกร่ทิจุผู้ยัดนุ่นที่เป็นกัปปิยะหรือเป็นอกัปปิยะด้วยคิดว่าเราจะทำหมอนดังนี้ถ้าทำหมอนนี่ใช้นุ่นอะไรก็ได้ขนสัตว์ขนอะไรก็ได้ยกเว้นคนของมนุษย์แต่นะอาสันธิกะอาสันธิกะกราวคือตั้งสี่เหลี่ยมเจตุรสย่อมควรเพราะมีพระบาลีว่าดูบารทิจุทั้งหลายเรารอนุญาตอาสันธิกะ อันหนึ่งอาสันติกะนั้นแม้เป็นของมีเท้าสูงกว่าแปดนิ้วก็ควรแต่ถ้าเป็นเตียงเป็นตั่งธรรมดานี่ถ้ามีเท้าสูงเกินกว่าแปดนิ้วก็เป็นเตียงที่สูงเกินประมาณในควรนั่งมีโทษเนื้บัตรเพรามีพระบารีว่าดูวกวามพิสูจน์ทั้งหลายเราอนุญาตอาสันทิกะแม้สูงเจงอยู่ตังยาวด้านเดียวเท่านั้นมีเท้าสูงเกินแปดนิ้วไม่ควรถ้าตัางยาวด้านเดียว ไม่ใช่อสัญวิกอาอสันธิกะจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสถ้าเป็นตังยาวมีท้าสูงเกินแปดนิ้วไม่ควรเพราะฉะนั้นตังสี่เหลี่ยมจัตุรัสแม้เกินประมาณก็ควรแม้เตียงที่ทําเป็นพนักอิงทั้งสามด้านก็ควรเพราะมีพระบาริวา่าดูก่อนที่สุดทั้งหลายเราอนุญาตสัตตังคะสัตตังคะแม้เตียงเช่นนี้ที่เกินประมาณก็ควรมีท้าสูงเกินประมาณก็ได้ก็เป็นสัตตังคะ สัตตังค้าหมายถึงว่ามีองค์เจ็ดก็คือมีเท้าสี่แล้วก็มีพนักที่ไว้เท้าแขนสองพนักหลังหนึ่งก็จะเป็นเจ็ดเพราะมีพระบารีว่าดูก่อนพิกษุนทั้งหลายเราอนุญาตสัตตังคะแม้สูงดังนี้ตังที่ทํำด้วยหวายตังที่ถึงด้วยผ้าเก่าที่ทรงอนุญาตแล้วในพระบาลีโดยนายเป็นต้นว่าดูก่อนพิกูจทั้งหลายเราอนุญาตตังหวายดังนี้และตังขาทาย ที่มีเท้าบนเขียงไม้ทำคล้ายโต๊ะกินข้าวต่างก้านมะขามป้อมที่มีเท้ามากประกอบไว้ด้วยอาการดังผลมะขามป้อมต่างฟางและต่างแผ่นกระดานและต่างอย่างใดอย่างหนึ่งที่ทำด้วยไม้แม้อื่นที่ไม่ได้มาในพระบาลีก็ควรอนุญาตความสะดวกสบายไว้ต่างมากมายเลยนะพอสมควรในการที่จะดำรงชีวิตของความเป็นธรมณะอยู่ได้อบรมไตรสิกขาต่อไปได้ ขอให้ท่านทั้งหลายผู้ที่มีศรัทธาบวชเป็นสมณะเป็นพระภิกษุในภูมรัศาสนาได้มีศรัทธาในการที่จะระักษาพระวินัยให้เคร่งครัดตามพระพุทธบัญญัติแล้วก็พระบารีอัตถกถาเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแห่งตนและพระศาสนาจะได้ประกอบสมณธรรมก็คือเจริญสมถะวิปัสสนาเพื่อความรู้แจ้งอริยสัจจะได้พ้นจากวัฏฏะทุกข์แล้วก็น้อมนําผู้อื่น ผู้ที่เป็นสาธุชนทั้งหลายยาตรนิดนิสัยให้ได้รู้แจ้งสัจธรรมของมาสส玛สุเมเจ้าด้วยก็ขออนุมวมท น, นาสาธุการสาธุสาธุสาธุ